การที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากก า, จากการอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมจะทำให้พวกเราได้รู้เรื่องเรื่องที่พวกเราไม่รู้กันมาก่อน เรื่องที่พวกเราไม่รู้กันมาก่อนคืออะไรก็เรื่องของการมาเกิดของพวกเราว่ามาเกิดกันได้อย่างไรและการมาเกิดของพวกเรานี้ดีหรือไม่อย่างไรแล้วหลังจากที่เรามาเกิดแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราต่อไป นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเรามาเกิดได้อย่างไรและการเกิดของเรานี้ดีหรือไม่อย่างไรและเราควรจะทำอย่างไรกับชีวิตของเรา หลังจากที่เราได้มาเกิดแล้วคำตอบเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่จะทำให้ผลประโยชน์อย่างสูงสุดแก่พวกเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า เหตุที่ทําให้พวกเรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภะเรียกว่ากามาตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้นั่นอยากไม่ได้นี่ อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามนี้แหละที่ทำให้พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ดีหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่ดีเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้มันต้องมาเจอความทุกข์ต่าง เจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เจอความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความทุกข์ที่เกิดจากความตายเจอความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาคจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักละความทุกข์ที่เกิดจากการต้องมาเจอสิ่งที่เราไม่ชอบหรือบุคคลที่เราไม่ชอบ นี่คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นตามมาทุกครั้งถ้ามีการเกิดดังนั้นการมาเกิดจึงไม่ดีเกิดเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆที่เราอยากจะเป็นกันนี่มันก็ไม่ดี เพราะมันเป็นได้ชั่วคราวเป็นไม่ได้อย่างถาวรเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วการเป็นอะไรต่างๆของเรามันก็จะต้องหมดไปเพราะเวลาที่เราตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เราเป็นนี้ติดไปกับเราได้แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเรามาเกิด มาเพื่อทาอะไรเราก็จะไปทาตามความอยากที่ทํามาให้พวกเรามาเกิดกันนี่เองก็คือความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นอะไรต่างๆกันโดยที่ไม่รู้ว่าความอยากเหล่านี้นะที่จะเป็น เหตุที่จะทําให้พวกเราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกดังนั้นการมาเกิดของเราเราควรจะทําอย่างไรกับชีวิตของเราคําตอบที่พระเจ้าทรงได้พบและได้นํามาตอบให้กับพวกเราก็คือว่าเราต้องมาหยุดความเกิดกันให้ได้ เพาถ้ามัเราหยุดการเกิดได้ความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากกันความพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักความประสบพบกับสิ่งที่เราไม่รักบุคคลที่เราไม่รักจะไม่มีอีกต่อไปถ้าเราไม่กลับมาเกิดอีกและการที่เราจะไม่กลับมาเกิดอีก เราก็ต้องกาจัดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันก็ได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเกิดจากตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผธภะเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีไม่เป็นอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือตัณหาความอยากสามประการที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าผลบาปก็ไปเกิดในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนสุรกายไปตกนรกก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำบุญบุญส่งไปไปรับผลบุญก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่าง แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาทำตามความอยากใหม่ในการทำตามความอยากบางทีก็ต้องทำบาปเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วพอบางเวลาหามาได้มากกว่าที่ต้องการก็มีการทำบุญมีการเอาไปแบ่งปันเอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นชีวิตของพวกเราก็จะ เวียนว่ายตายเกิดในลักษณะนี้พอมาเกิดก็มาทำตามความอยากกันถ้าหาทำตามความอยากด้วยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ทำด้วยการกระทำบาปกันถ้ามีมากมีอะไรมากที่ไม่ต้องกินไม่ต้องเก็บเอาไว้บางทีเราก็เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการทำบุญ หรือถ้าเราเห็นผู้อื่นเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากเราช่วยเหลือเขาด้วยวิธีการต่างๆก็เป็นการทำบุญการทำบุญของเรากับการทำบาปของเราก็จะเป็นเหตุที่จะส่งให้เราไปรับผลบุญผลบุญผลบาปต่อไปแล้วพอเราได้รับผ ล, ผลบุญผลบาปเสร็จแล้วเราก็กลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังมีความอยาก หารูปเสียงกิ่นรสผทตภะยังมีความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากเป็นบาธานาธิบดีอยากร่มอยากรวยเราก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยเรื่อยนี่คือเรื่องของพวกเราเรื่องของการมาเจอความทุกข์ของพวกเรา ทั้งๆ ท, ที่พวกเราไม่มีใครอยากจะเจอความทุกข์กันแต่ทำยังไงก็หนีไม่พ้นจากความทุกข์กันเพราะยังมีความอยากมาเกิดกันนั่นเองโดยไม่รู้ว่าความอยากมาเกิดนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆกันต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุขและสาเหตุของการมาเกิดก็คือตัณหาความอยากต่างๆและการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นเราต้องหยุดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันทำลายเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันเหตุนั้นก็คือกามตัณหาภาวะตัณหา และวิภาวะตันหานั่นเองและการจะทำลายตันหาทั้งสามนี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเรามีมีเครื่องไม้เครื่องมือเราจะไม่สามารถที่จะทำลายความอยากทั้งสามประการนี้ได้เหมือนกับช่างซ่อมรถยนต์ถ้าต้องการซ่อมรถยนต์ช่างก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีแต่มือเปล่ า, ลาสองมือก็จะไม่สามารถซ่อมรถยนต์ได้เวลารถยนต์เสียช่างจึงมีเครื่องมือเต็มกระเป๋ามีเครื่องมือหลากหลายชนิดด้วยกันเอาไว้ใช้ในการซ่อมรถยนต์เวลาที่รถยนต์เสียชั้นใดการที่เราจะหยุดทำลาย หยุดหรือทำลายความอยากต่างๆความอยากทั้งสามประการนี้ให้หมดไปจากใจได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำลายหรือหยุดความอยากต่างๆได้นั้นก็คือบุญบุญที่พวกเรามาทำกันนี่แหละเรียกว่าเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากหยุดการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน หยุดความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดจากการที่มาเกิดกันบุญนี้มีหลายประเภทด้วยกันบุญที่พระเจ้าทรงสอนเพื่อให้เรามาใช้เป็นเครื่องมือหยุดความอยากอยู่การเกิดแก่เจ็บตายกันมีอยู่สามข้อด้วยกันคือบุญที่เกิดจากการทําทานคือการให้สองบุญที่เกิดจากการ รักษาศีลคือการไม่ทำบาปละาสามบุญที่เกิดจากการภาวนาคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจต้องเกิดจากการมีบุญสามประการนี้เราถึงจะสามารถกำจัดความอยากที่เป็นเหตุของการมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายของพวกเราได้อย่างราบคาบดังนั้นคำตอบของคำถามสุดท้ายว่าเกิดมาแล้วเราควรจะทำอย่างไรก็คือเราควรที่จะมาสร้างบุญกันสร้างเครื่องมือกันเพื่อที่เราจะได้เอาเครื่องมือนี้มายุติความอยากกันมากำจัดความอยากกัน เพื่อจะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการมาเกิดกันบุญนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือของช่างซ่อมรถยนต์บุญนี้ก็เป็นเครื่องมือของพวกเราที่เราจะมาซ่อมชีวิตของพวกเราซ่อมจิตใจของพวกเราชีวิตของพวกเราจิตใจของพวกเราตอนนี้มันเสียมันสร้างแต่ความทุกข์ เราต้องการให้มันสร้างความสุขแต่มันมักจะสร้างแต่ความทุกข์ขึ้นมาเราต้องมาซ่อมชีวิตของเราซ่อมรถยนต์ของเราซ่อมจิตใจของเราด้วยการสร้างเครื่องมือขึ้นมาก่อนหาเครื่องมือมาก่อนเพราะถ้าไม่มีเครื่องมือเราจะไม่สามารถที่จะซ่อมชีวิตของเราได้ซ่อมชีวิตของเราที่มีแต่ความทุกข์ ให้กลายเป็นชีวิตที่ตมมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านได้ซ่อมชีวิตของท่านท่านได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านให้หมดไปได้อย่างราบคาเพราะท่านมีเครื่องมือสามข้อนี้คือมีทานมีศีลมีภาวนาที่ท่าน เอามาใช้ในการกำจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกำจัดได้อย่างราบคาบพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วการมาเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพัดพากจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารัก ไม่มีการประสบพบกับสิ่งที่เราไม่รักหรือบุคคลที่เราไม่รักความทุกข์ต่างๆในชีวิตของเราก็จะหมดไปอย่างถาวรจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออีกต่อไปดังนั้นคําตอบว่าเราเกิดมาแล้วเราควรจะทําอะไรกันเราควรมาสร้างบุญกันมาสร้างเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการ ซ่อมแซมชีวิตของเราให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆดังนั้นเราจึงควรทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเราให้กับการมาสร้างบุญกันจะดีกว่าเพราะเราสร้างอย่างอื่นก็เท่ากับการเป็นการสร้างความทุกข์สร้างการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองถ้าเรายังมาสร้างลาบยศสรรเสริญ มาหารูปเสียงกลิ่นลดผลภัณฑ์ก็แสดงว่าเรากําลังส่งเสริมความอยากกันส่งเสริมกามะตัณหาส่งเสริมภวะตัณหาส่งเสริมวิภวะตัณหากันเมื่อมีการส่งเสริมมีกามะตัณหาภวะตัณหามีวิภวะตัณหามันก็จะเป็นผู้ที่จะทําให้พวกเรามาเกิดใหม่กันหลังจากที่เราตายไปแล้ว หลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่เหมือนอย่างที่เรามีร่างกายอันใหม่นี้ในปัจจุบันนี้แล้วเราก็มาทําอะไรกันเราก็มาหาราบยศสรรเสริญสุขกันมาหารูปเสียงกลิ่นลดผลพทธะกันเพราะมันเป็นวิธีหาความสุขที่เรารู้วิธีเดียวเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าวิธีการหาความสุขแบบนี้ เป็นวิธีหาความทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเป็นวิธีที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้ว่าการดําเนินชีวิตของเราในขณะนี้เป็นการดําเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉา อาชีพเป็นการทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการทำอาชีพที่จะนำให้เราไปเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆนั่นเองมิจฉ า, าชีพของพวกเราคือการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายกันเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่พวกเรารู้จักในการหาความสุขกัน พ่อแม่เราก็รู้จักวิธีนี้วิธีเดียวปู่ย่าตายายตาทวดทั้งหลายหรือใครต่างๆครูบาอาจารย์ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อนสนิทมิตรสหายใครต่างๆที่เรารู้จักนี้รู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้กันทั้งนั้นไม่รู้จักหาวิธีวิธีหาความสุขแบบอื่น เราก็เลยต้องหาความสุขแบบนี้กันพอเกิดมาแล้วเราก็สร้างชีวิตของเราขึ้นมาก่อนสร้างให้ร่างกายเราจเจริญเ ต, ก ต, กตกิบโตจนสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถมีกำลังวางชาให้เราไปหาความสุขเราก็จะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ชีวิตของเราเรายัางใจไปกับการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันอยู่เพราะถ้าเราไม่หาเราจะไม่มีความสุขกันเราเลยต้องหากันส่วนการหาบุญ ทั้งสประเภทคือทานศีลภาวนานี้เราก็อาจจะหากันถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการมาสร้างบุญสร้างกุศลทั้งสามประเภทนี้เราก็อาจจะแบ่งเวลาบางส่วนมาทําบุญทําทาน มารักษาศีลมาภาวนากันแต่ยังเป็นส่วนน้อยของเวลาที่เราใช้ไปกับการหาความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสลรเสริญเพราะหนึ่งเรายังไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้มาหาความสุขจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีล จากการภาวนาสองเราไม่มีเวลาเพราะเวลาเราก็จะหมดไปกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่คือสิ่งที่เรากำลังติดอยู่ตอนนี้ปัญหาของพวกเราคือทำอย่างไรทำให้พวกเราหยุดการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วมาหาความสุขจากการทําบุญรักษาศีลภาวนากันอันนี้เป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องเอาไปคิดเอาไปคบกันแล้วทําข้อสอบนี้ให้ได้ดึงตัวเราให้ออกจากการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระกันให้ได้ เพื่อเราจะได้มีเวลามาหาบุญที่เกิดจากการทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนากันเพราะจะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทาให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่เรากําลังหากันอยู่จากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผุดเพระเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นมีวันหมดเป็นความสุขไม่ถาวรแล้วพอสูญเสียความสุขชั่วคราวนี้ไปสิ่งที่จะตามมาก็คือความทุกข์ความทรมานใจนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง มาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเราเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินของพวกเราจากการแสวงหาลาบยศสละเสริญแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะให้มาแสวงหาการทําทานการรักษาศีลการภาวนาให้ได้เพราะว่าถ้าเราทําได้เราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร เราจะได้หลุดพ้นจากการจากความทุกข์ของการที่มาเกิดเกิด ค, ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันต้องมีเวลาให้กับการมาสร้างบุญคือเครื่องมือเพื่อที่เราจะได้เอาไปหยุดความอยากต่างๆถ้าเรามีบุญเหล่านี้เราจะหยุดความอยากได้ ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระกันนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องอตั้งเป้าตั้งปณิธานตั้งอธิษฐานกัน ว่าขอให้เรามีเวลามาทำบุญกันมาทาทานถ้าไม่มีเงินมีทองก็เลิกข้อการทาทานไปได้ไม่ต้องกังวลการทำทานนี้มีไว้สำหรับคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วมักจะเอาไปใช้ในทางสร้างความทุกข์คือการเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆให้เอาเงินที่ไปใช้ตามความอยากนี้มาทาทานกัน ถ้าถ้าไม่มีเงินทําทานก็ไม่ต้องกังวลดีซะอีกจะได้หมดปัญหาไปจะได้เอาเวลามาสร้างบุญที่เกิดจากการรักษาศีลสร้างบุญที่เกิดจากการภาวนาต่อไปพอเป้าหมายที่สูงสุดก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนานั่นเองแต่การที่จะเข้าถึงบุญที่เกิดจากการภาวนาได้ ต้องผ่านบุญที่เกิดจากการรักษาศีล<โ>และบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็ต้องเกิดก็ここต้องผ่านจากการจากบุญที่การจะบุญที่เกิดจากการทําทานนั่นเองนีถ้าเราไม่มีบุญที่จะทำไม่มีเงินที่จะทําบุญทําทานแล้วก็แสดงว่าเราผ่านข้อนี้ไปแล้วเราก็เข้าสู่ข้อที่สองได้เพราะเมื่อเราไม่มีบุญ ไม่มีเงินเราก็จะได้มีเวลามารักษาศีลกันเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินไปใช้เงินกันเพราะการหาเงินและใช้เงินตามความอยากไม่ได้เป็นวิธีที่จะตัดภพตัดชาติยุติการเกิดแก่เจ็บตายแต่การใช้เงินเพื่อกําจัดความอยากที่จะเอาเงินไปใช้สิ่ง ไปใช้กับความอยากต่างๆนี้เราต้องหยุดมันถ้าเรายังมีเงินอยู่แล้วเรายังอยากจะใช้เงินนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ต้องเอาเงินเหล่านี้มาทาทานกันแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินเพื่อเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเอาไว้เก็บไว้ใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายนี้เราก็เก็บไว้ได้ เอาไว้ใช้ได้เพราะเรายังต้องเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายเรามาสร้างบุญข้อที่สองและข้อที่สามก็คือมารักษาศีลมาภาวนากันนั่นเองนี่คือเรื่องบุญที่เกิดจากการทำทานดังนั้นถ้าท่านไม่มีเงินที่จะเอามาทำทานแล้วก็ไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้ซื้อความสุข ทางตาหูจมูกดินกายไม่ได้เอาเงินไปทําตามความอยากต่างๆเงินเหล่านี้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาต่อไปถ้ามีเงินไว้เก็บไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็เก็บไว้ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่เราจะได้รักษาศีลได้เพื่อที่เราจะได้ภาวนาได้แต่ถ้าเรายังเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไป ใช้ตามความอยากอยู่พอเงินทองหมดความอยากจะใช้เงินทองยังไม่หมดมันก็จะบังคับให้เราไปหาเงินมาใช้ใหม่เราก็ต้องไปหาเงินไปทำงานกันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาภาวนากันนั่นเองดังนั้นถ้าเรายังใช้เงินตามความอยากอยู่เราก็ต้องหยุด เอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี่ปาทำบุญหรือเก็บไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองพราะเราต้องการที่จะหยุดหาเงินหยุดทางานกันเพราะว่าเป็นการหาความทุกข์กันหาการเกิดแก่เจ็บตายกันนั่นเองเราจึงต้องหยุดหยุดหาราบยศ ส, สราเสญหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือ เราก็ต้องเอาเงินทองที่จะไปใช้เป็นเครื่องมือกับการหาการเกิดแก่เจ็บตายหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสนี่เอามาเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นคือเลี้ยงปากเลี้ยงทองถ้าเราไม่สามารถไปบวชเป็นพระได้แต่เราอยากจะปฏิบัติอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนา เช่นยาตโยมผู้หญิงบวดเป็นพระไม่ได้แต่อยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาก็จำเป็นจะต้องมีเงินไว้ก้อนหนึ่งไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลตนเองนอกจากสามารถไปอยู่กับวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่เมตตาที่รับเลี้ยงดูไม่ให้ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมีเงินทองเก็บเอาไว้ที่เหลืออยู่อยากจะเอาไปทำบุญก็เอาไปได้ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราจะไม่เดือดร้อนกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะเราได้อยู่กับคู่บาอาจารย์ที่เมตตาที่รับประกันเรื่องของปัจจัยสี่ให้แก่พวกเราเราก็ ถ้ายังมีเงินทองเหลืออยู่จะเก็บเผื่อไว้ก็ได้เผื่อวันข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอนแต่อย่าเอาไปใช้ตามความอยากเท่านั้นเองเอาเก็บสำรองไว้สนับสนุนชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เอาชีวิตของเรานี้มาสร้างบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาต่อไปเพราะเราต้องสร้างศีลขึ้นมาเพื่อให้เราได้เข้าสู่การภาวนา เมื่อเราได้ภาวนาแล้วเราจะได้มีเครื่องมือที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้พอเราหยุดความอยากต่างๆได้หมดเราก็จะหยุดการเกิดได้เมื่อหยุดการเกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาคจากการตามมาอีกต่อไปทุกข์ก็จะหมดไปจากชีวิตของพวกเรา จะเหลือแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังเท่านั้นนี่คือผลที่จะพวกเราจะได้รับกันหลังจากที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันได้รู้ว่าอะไรทำให้เรามาเกิดกันได้รู้ว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อชีวิตของเราต่อไป พราอเราจะรู้ว่าเมื่อมาเกิดแล้วมันก็จะทํามันก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมาทุกที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายตามมาทุกที่เกิดจากการพลาดพลาดจากกันมันก็จะทําให้เรารู้เป้าหมายของชีวิตของพวกเราว่าเราเกิดมาแล้วเราควรจะทําอะไรกันเราก็ควรที่จะมาหยุดการเกิดกัน จะหยุดการเกิดได้ก็ต้องหยุดต้นเหตุของการเกิดก็คือตัณหาทั้งสามคือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและการจะหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้เราหยุดตัณหาทั้งสามได้ก็เรียกว่าบุญบุญที่เกิดจากการทาทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนา ดังนั้นเราสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาหรือหาขึ้นมาให้ได้ให้มีขึ้นมาในใจของเราให้ได้ก็คือทานศีลภาวนาทานก็คือการเาสียสละแบ่งปันถ้าเรามีเงินที่จะเอาไปใช้ตามความอยากเราต้องเอาเงินนั้นมาเสียสละมาแบ่งปันกันแต่ถ้าเรามีเงินไว้สำหรับเก็บสำรองไว้ในการ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เราก็ต้องเก็บเอาไว้แต่ไม่ได้เก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปทำตามความอยากต่างๆเราต้องกาจัดการใช้เงินตามความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจเราด้วยการทำทานทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินไปทำตามความอยากเราเอาไปทำทานถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปการอยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี่มันจะหมดไป แล้วทําให้เราไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากอยู่เรื่อยๆก็จะทําให้เรามีเวลาที่เราจะได้มารักษาศีลอย่างเต็มที่มารักษาศีลอย่างเต็มที่มาภาวนาอย่างเต็มที่มาเป็นมืออาชีพกันไม่มีอาชีพอย่างอื่นถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย เราต้องถืออาชีพนี้เป็นอาชีพของเราคือการรักษาศีลการภาวนาเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่มีอะไรที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่พวกเราต้องมาเจอกันนี้ได้นอกจากการรักษาศีล น, นอกจากการภาวนานี้เท่านั้น เราจึงต้องคอยตั้งเป้าหมายและคอยควบคุมใจให้เดินไปตามเป้าหมายที่เราควรจะไปกันก็คือมาสร้างบุญกันสร้างบุญสามข้อนี้กันสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากันอ ย, ยอย่าไปสร้างลาบยศจรเสริญอย่าไปสร้างรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเป็นการสร้างภพชาตินั่นเอง แต่ถ้าเรามาสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาเราจะมาตัดภพตัดชาติให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆได้หมดไปในที่สุดและภพชาติของเราที่ยังเหลืออยู่นี้จะเป็นภพชาติที่ดีตลอดไปจะเกิดในสุคติตลอดไปจนกว่าเราจะไปถึงจุดที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ถ้าเราทำทานเรารักษาศีลเราภาวนากันอย่างต่อเนื่องทำกันอย่างเต็มที่ในเบื้องต้นเราอาจจะทำได้แค่ทําทานและรักษาศีลถ้าเราทาทานรักษาศีลได้เราตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอนุสุลกายไม่ต้องตกนรก ตายไปเราจะไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาทำบุญทาทานกันใหม่มารักษาศีลกันใหม่แล้วเราก็มาหัดภาวนากันใหม่ถ้าเราภาวนาขั้นที่หนึ่งได้คือขั้นสมถภาวนารักษาศีลแปดได้ เวลาเราตายไปเราก็จะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมผู้ที่ได้รักษาศีลแปดได้ภาวนาทําใจให้สงบได้ฌานขั้นต่างๆก็จะได้ไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นพรหมชั้นต่างๆแต่ถ้ายังภาวนาไม่ได้ยังรักษาศีลแปดไม่ได้รักษาได้แต่ศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทาน ก็เวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วถ้าเรานอกจากภาวนาส ม, มถะภาวนาได้แล้วเรายังสามารถเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรร ก็จะทำให้เราได้เข้าสู่ขั้นพระอริยะบุคคลขั้นที่จะตัดุบตัดชาติให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากคือถ้าเราได้ขั้นขั้นที่หนึ่งของพระอริยะบุคคลการที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะเหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าเราได้ขั้นที่สองของพระอริยะบุคคล คือขั้นพระสกิดาคามีเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมากถ้าเราได้ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาพัดพากจากกันอีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่ แล้วถ้าได้ขั้นที่สี่ได้ขั้นพระอาหารหันต์ขั้นนี้แหละที่จะทําให้จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดในกามมพบคือพบของมนุษย์ของเทวดาของสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปพบคือพบของผู้ที่ได้รูปประชานไม่ต้องกลับมาเกิดในอรูปพบคือพบของผู้ที่ ได้อารูปฌปานจะไปเกิดจะไปอยู่ในนิพพานนิพพานก็คือที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนิพพานนี้เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ว่าได้เพราะเป็นที่ที่ให้ความสุขที่สูงสุดความสุขที่สูงสุดกว่าสูงกว่าสุขของอรูปปภมสูงกว่ารูปปภมสูงกว่า เทวดาสูงกว่ามนุษย์เนี่ยคือความสุขของพระนิพพานเพราะความสุขของพระนิพพานนี้ไม่มีความทุกข์เลยและเป็นความสุขที่ถาวรนความสุขของตายภพนี้ยังเป็นความสุขที่ไม่ถาวรและมีมีความทุกข์แถมมาด้วยความสุขของรูปประพรมของรูปรูปประพรมอรูปประพรมก็ไม่ถาวร อยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็ต้องเสื่อมลงมาจากอรูปประภมก็มาสู่รูปประภมจากรูปประภมก็มาสู่เทพเทวดาจากเทพเทวดาก็กลับมาเป็นมนุษย์เอามาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือผลต่างๆที่เราจะได้รับจากการที่เรามาสร้างบุญสร้าง สร้างกุศลสามข้อนี้คือสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากันแต่ถ้าเราไปสร้างลาบยศจละเสริญสร้างรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเราก็จะไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างมากก็จะไปได้แค่สวรรค์ชั้นรูปอรูปประพรมเท่านั้นแต่ก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างบุญซะทำบุญทำทานรักษาศีลสมถะภาวนาไปใหม่เพราะว่าจะไม่มีใครมาสอนเรื่องวิปัสสนาภาวนายกเว้นในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะมีคนมาสอนเรื่องวิปัสสนาเรื่องของการเจริญพิจารณาให้เห็นใรลักให้เห็นอริยสัจสี่ เพอาถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักก็จะเห็นว่าความทุกข์เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามเกิดจากที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่ความอยากทั้งสามอยากได้นี้ไม่เที่ยงไม่ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นอ เป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติผลัดกันชมได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียไปพอสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปความทุกข์ก็จะตามมาแต่เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นหาความสุขก็จะหยุดความอยากกันพอหยุดความอยากกันจิตก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดกันถ้ายังหยุดไม่ได้ร้อยเปอร์เนะ หยุดได้ขั้นแรกก็ยังต้องกลับมาเกิดเจ็ดชาติเป็นอย่างมากหยุดเพิ่มมากขึ้นหยุดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปก็จะกลับมาเพียงชาติเดียวถ้าหยุดได้เพิ่มมากขึ้นไป Taiwan, อีกก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องกลับไปเกิดเป็นพรหมอยู่แต่ถ้าหยุดความอยากทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เรา กำลังทํากันอยู่และไม่ได้ทํากันอยู่สิ่งที่เราทํากันอยู่ก็คือหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลถภากันสิ่งที่พวกเราไม่ค่อยได้ทํากันก็คือหาทานหาศีลหาภาวนากันดังนั้นเราจะต้องสับรางของชีวิตเราสับรางจากรางที่วิ่งไปหาลาบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสสับรางให้มันวิ่งเข้าหา ทานศีลภาวนากันวิธีสับรางก็คือเราต้องบังคับเราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นในช่วงเขา้าพรรษานี้เราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าเราจะทําบุญให้มากขึ้นทําทานให้มากขึ้นรักษาศีลศให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นเมื่อเราตั้งอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะเราต้องมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเรา ไม่เปลี่ยนใจไม่ล้มละเนละนาตนีตั้งว่าจะทําทานให้มากก็ต้องทําทานให้มากตามที่เราตั้งใจไว้ทํารักษาศีลให้มากก็ต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้ภาวนาให้มากเราก็ต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้ถึงเรียกว่ามีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะไม่มีความแน่วแนต่อความตั้งใจพอถึงเวลาจะทําก็ลืมไปหรือทําเป็นลืมไป แทนที่จะทาทานให้มากขึ้น อ, อาจจะทาให้น้อยลงไปเสียอีกอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะแล้วรักษาสีให้มากก็ไม่รักษาให้มากตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะภาวนาให้มากแต่ไม่ได้ภาวนาให้มากก็แสดงว่าไม่มีสัจจะนอกจากไม่มีสัจจะแล้วก็ไม่มีความเพียรไม่มีความขยันการที่จะรักษาสัจจะของเราได้ รักษาอธิษฐานความตั้งใจของเราได้เราต้องมีความเพียรเราต้องทำนั่นเองความเพียรก็คือการกระทาเราก็ต้องทาตามที่เราตั้งใจเอาไว้เราบอกว่าเราจะทำทานให้มากเราก็ต้องทำทานให้มากถึงเวลาใส่บาตรก็ทำให้มันมากกว่าเท่ากว่าที่เราเคยทำถึงเวลารักษาศีลก็รักษาให้มันมากกว่าที่เราเคยรักษา ถ้ารักษาสี่ห้าเพียงแค่วันพระเราก็เพิ่มเป็นรักษาสีลห้าทุกวันถ้ารักษาสีลห้าทุกวันเราก็มารักษาสิน8ปดในวันพระกันถ้ารักษาสินแปดในวันพระได้ต่อไปเราก็รักษาสิน8ปมันทุกวันไปนี่เรียกว่าทําความเพียรทำให้การปฏิบัติของเราเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าให้มันน้อยลงไปอย่าให้มันถอยหลังให้มันเดินก้าวหน้าการภาวนาก็เช่นเดียวกันเคยนั่งสมาธิวันละครั้งก็เพิ่มมันเป็นสองครั้งสามครั้งเคยนั่งสามครั้งก็เพิ่มมันเป็นสี่ครั้งห้าครั้งเพิ่มมันไปเรื่อยๆเพิ่มให้มันเต็มร้อยให้ได้เพราะการทําทานการรักษาศีลการภาวนานี้มันต้องเต็มร้อยมันถึงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบ เหมือนกเครื่องมือของช่างซ่อมรถยนต์เครื่องมือเครื่องไม้ต้องครบถ้าขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปอาจจะไม่สามารถซ่อมรถยนต์ได้เพราะขาดเครื่องมือเช่นนั้นไปช่างเขาจึงต้องมีเครื่องมือครบบริบูรณ์ดังนั้เครื่องมือที่เรามาใช้ซ่อมจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ก็ต้องครบเต็มรอยทาทานก็ต้องทาให้มันเต็มรอยทาให้กระทั่งไม่มีเหลือ ไม่มีจะให้ทำอีกแล้วแล้วก็รักษาศีลก็ต้องรักษาศีลให้เต็มร้อยอย่างน้อยก็คือศีลแปดถึงจะเรียกว่าเต็มร้อยเต็มร้อยก็คือทุกวันตลอดเวลาเตีงจะเรียกว่าเต็มร้อยภาวนาก็ต้องเต็มร้อยก็ต้องภาวนาทั้งวันยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่จะไม่ภาวนาเปินขึ้นมาก็ภาวนาลืมตาขึ้นมาก็จเจริญสติก็เรียกว่าสมถะภาวนา ถ้าเจริญสติก็สมถะภาวนาพุทโธพุทโธไปถ้าตื่นขึ้นมาก็พิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เรียกว่าวิปัสสนาเจริญปัญญาไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเจริญสมถะก็พุทโธพุทโธไปหรือจดจ่อเฝ้าดูการกระทาต่างๆของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องได้สาระต่างๆ อย่าให้ใจไปคิดเสียงเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลพะเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องบุตรเรื่องธิดาเรื่องสารพัด ส, สารเพให้มาคิดอยู่กับพุทโธหรือให้มาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือถ้าอยากจะคิดก็คิดไปทางปัญญาคิดว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟ ดินน้ำลมไฟนี้ปั้นให้ร่างกายมีอาการ32ขึ้นมาปั้นผมปั้นขนปั้นเล็ บ, บปั้นฟันปั้นหนังปั้นเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆขึ้นมาปั้นมาจากดินน้ำนมไฟดินน้ำนมไฟก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปอากาศที่เราสูดเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปความร้อนที่เราได้รับจากแสงแดดแสงอาทิตย์และความร้อนที่เกิดจากการ ผสมของธาตุทั้งสามคือดินน้ำลมก็ทําให้เกิดธาตุไฟความร้อนขึ้นมาในร่างกายานี่คือเรื่องของร่างกายของเราถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราค้นหาร่างกายหาตัวเราในร่างกายนี้ค้นหายังไงก็จะไม่เจอจะเจอแต่อาการสามสิบสองเจอแต่รูปเสียงกลิ่นด้นจเจอแต่ละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก หรือม่นช่นั้นก็เจอดินน้ำลมไฟแต่จะไม่เจอตัวเราในร่างกายก็จะทำให้เราเห็นอนัตตาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นอนิจจาเห็นว่ามันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ถ้าจะคิดให้คิดอย่างนี้ถ้ายัางคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งคิดให้พุทธคิดพุดทธโธพุโทโธไปก่อนอย่าไปปล่อยให้คิดถ้าพอ เพราะว่าถ้าไม่มีสติพอเดี๋ยวแทนที่จะคิดทางปัญญามันจะแวะไปทางครอบครัวคิดไปทางสามีภรรยาทางบุตรธิดาทางพ่อทางแม่หรือคิดไปในทางธุ ร, รกิจคิดไปในทางเรื่องราวปัญหาต่างๆแทนที่จะมาคิดทางปัญญาดังนั้นถ้าเราปล่อยให้มันคิดอย่างนี้เยอะเราก็แพ้มันเท่านั้น แทนที่จะภาวนาทําใจให้สงบก็จะทําให้ใจฟุ้งซ่านถ้าใจฟุ้งซ่านก็ไม่สามารถกําจัดความอยากต่างๆได้การจะจับความกําจัดความอยากต่างๆได้ใจต้องสงบใจต้องมีความสุขถ้าใจมีความสุขแล้วใจก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขตามความอยากเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่า ก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากทุกครั้งความอยากมาชวนให้ไปเดิมก็ไม่เดิมชวนให้ไปดูก็ไม่ดูชวนให้ไปฟังก็ไม่ฟังชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปชวนให้ไปชอปปิ้งก็ไม่ไปเพราะว่ามันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้นั่นเองดังนั้นเวลาภาวนานีนต้องพยายามภาวนาทําใจให้สงบให้ได้ใจจะสงบก็ต้องมีสติคือมีพุโทโธ หรือมีการจดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะดิ่งเข้าสู่ฐานของใจของจิตคือความสงบที่เรียกว่าสมาธิอัปปนาสมาธิพอเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้อุเบกขา ใจที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่รักไม่หิวกับอะไรไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดกับอะไรไม่กลัวอะไรไม่หลงอะไรไม่เห็นว่ามีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับความสงบพอได้อย่างนี้แล้วก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ไม่ก็สามารถเลิกทำตามความอยากได้อยากดูก็เลิกดูได้อยากฟังก็เลิกฟังได้ อยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็เลิกได้อยากสัมผัสกับ ส, สิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายต่างๆก็หยุดได้เพราะเรามีความสุขในใจของเราที่เกิดจากการเจริญสติที่ทำใจให้เรานิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือเรื่องของการปฏิบัติของการภาวนาของการหยุดความอยากต้องเริ่มที่สติ ต้องเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาจนหลับพอมีเวลาว่างก็นั่งเฉยๆให้จิตมันรวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ให้มีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะทำให้มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้พอความอยากมาชวนให้ไปดูก็ไม่ไปดูชวนให้ไปฟังก็ไม่ไปฟังชวนให้ไปเล่มลดดมกลิ่นก็ไม่ไป ชวนให้ไปทำอะไรตามความอยากต่างๆก็จะไม่ไปพอไม่ไปต่อไปความอยากมันก็หมดแรงมันก็จะไม่มาชวนอีกต่อไปใจก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดนี่คือใจที่กําจัดความอยากได้หมดแล้วเป็นใจที่เรียกว่าสะอาดบริสุทธิ์เป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกเป็นใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกๆคน ถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าใครภาวนาได้อย่างเต็มร้อยตั้งแต่ตื่นจนหลับผลก็จะได้รับเหมือนกันคือการการสิ้นสุดของความอยากสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของเราว่าเราเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อทาอะไรเกิดมาเพื่อสร้างบุญ สางบุญทั้งสามประการคือทานศีลภาวนาเพื่อเราจะได้เอาบุญทั้งสามประการนี้มาหยุดความอยากกันเพราะเราหยุดความอยากได้เราก็จะหยุดความทุกข์ได้หยุดการเกิดการแก่เจ็บตายได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีความสุขตลอดเวลาเหมือนกับที่พระพุทธจเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายท่านมีกันอยู่ ในขณะนี้ท่านไม่มีร่างกายแล้วแต่ใจของท่านไม่ได้สลายไปกับร่างกายใจของท่านก็ยังอยู่อยู่แบบปลมมสุขอยู่แบบปละมังสุขขังนั่นเองใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราให้มาสร้างบุญสามประการนี้คือสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากันยุติการสร้างราบยศรเสริญ ยุติการสร้างรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะกันเราต้องสับรางชีวิตของเราตอนนี้รางของ<ม>พวกเราชีวิตเขาพวกเรามันพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันเราต้องสับรางให้มันพาเราไปสู่พระนิพพานกันให้พ า, าไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายกัน<ม>เราทําได้ถ้าเรามีความตั้งใจมีสัจจะมีความเพียรความพยายามและมีความ ขันติมีความอดทน เ, เวลาปฏิบัติมันก็ต้องต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากในรูปแบบต่างๆถ้าไม่มีความอดทนก็จะทําไม่ได้ก็จะยกธงขาวดังนั้นเราต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันตเิเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการสร้างทานศีลภาวนาขึ้นมารับลองได้ว่าถ้าเรามีธรรมเหล่านี้แล้วอ ผลที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะเป็นผลที่เราได้รับกันอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเหตุชนิดเดียวกันนั่นเองพระพุทธเจ้าก็มีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติมีในการสร้างบุญสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาพวกเราถ้ามีแบบแบบนี้เราก็จะได้ผลแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้พวกเรามาสำรวจดูว่าเรามีอธิษฐานมีความตั้งใจที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาหรือไม่มีสัจจะที่จะรักษาความตั้งใจหรือไม่มีวิรยิยะความอุตสาหาภากเพียนที่จะสร้างทานศีลภาวนาหรือไม่มีความมีขันติความอดทนที่จะฟันฝ่ากับความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่มีต้องทําให้มันมีให้ได้ เพราะถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีมรรคผล น, ผนิพพานไม่มีการหลุดพน้นแต่ถ้ามีสัตอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติมันก็จะทำให้เราสร้างทานศีลภาวนาขึ้นมาได้เมื่อเราสร้างทานศีลภาวนาได้เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการมาเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้นขอให้พวกเรา ยองนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาไรวาหาบุราปาริกปุรเรนติสาขลางัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจจโตสัพเเอป n เรหนโตสัง p a ปาจันโทปนาระโสยธาไมนิโชติระโสย h าสัพพ i ติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายยโกภาะอภิวาธนสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวะทานติอายุวโนสุขังภาลาง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคาถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันเลยแต่หลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตอย่ามาถามถ้าอยากจะถามถามตอนนี้เพราะจะไม่ตอบเพราะเลิกประชุมแล้วก็ถือว่าจบแล้วเอา นั่นถ้ากคอยากจะถามถ้ามาเองไม่ได้อยากจะเขียนข้อความเข้ามาก็ได้ส่วนท่านที่นั่งฟังก็ขอความกรุณายุติการคุยกันขอให้เราฟังกันเพราะถ้าเราคุยกันแล้วมันจะรบกวนกันถ้าอยากจะคุยก็ไปนั่งคุยที่ตรงลานต้นโพได้ตรงนี้มันใกล้กับการสนทนาธรรมมันจะรบกวนกัน ขอความกรุณาอยากคุยกันตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook, 300, เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบครับส่วนยูทูบแปดสิบกว่าครับอาจารย์เมีใครอยากจะถามไหมปัญหานามาสการค่ะคือตอนนี้ก็มีโรคภัยไขเจ็บอยู่ก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันค่ะ อยากให้พระอาจารย์วันนี้ได้มีโอกาสมานมัสการพระอาจารย์ลองฟังทำของพระอาจารย์แล้วอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนํำการทําสมาธิเพื่อรักษาโลกก็เหมือนกันเวลาเจ็บและไม่เจ็บก็ต้องทําสมาธิมันก็ทําแบบเดียวกันก็ต้องฝึกสติพุทโธพุทโธไปแล้วก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บเวลาเกิดความเจ็บปวดเราก็พุทโธพุทโธไปถ้าเรามีสมาธิมีความสงบความเจ็บปวดจะไม่มารบกวนใจอ จะเป็นเหมือนเข็มเข็มเล็กๆทิ่มเข้าไปในเนื้อเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปห่วงความเจ็บความความเจ็บมันจะขยายตัวใหญ่โตขึ้นมาจนที่มันเจ็บเพอะใจเราไปอยากให้มันหายมันก็เลยเกิดความทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยควบคุมใจไม่ให้อยากให้สงบให้พุทโธพุทโธไปความเจ็บทางร่างกายจะเป็นความเจ็บเพียงเล็กน้อยนั ต้องพยายามฝึกสติจเจริญสติให้มากๆทุกเวลามันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายอย่าไปอยากให้มันหายรักษาได้แต่จะหายไม่หายอย่าอย่าไปอยากรักษาไปตามกำลังของเราหายก็หายไม่หายก็ไม่หายอยู่กับมันไปถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข์กับมัน รัชการค่ะมีข้อเดียวเลยกล่ารถวัตจการพระอาจารย์ค่ะเมื่อคู่ได้ฟังเทศของพระอาจารย์ที่ว่าถ้าหยุดความอยากได้จะหยุดการกำเนิดได้จะหยุดการความตายได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดความอยากทุกอย่างในร่างกายของเราด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะหยุดสามอย่างนะหยุด หยุดนะหยุดความอยากในรูปเสียงกินลดอยากดูอยากฟังอยากเล่มลดดมกลิ่นอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็อยากไม่ให้มันเป็นเช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะไปอยากมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราก็จะไม่ทาให้เรามาเกิด เพราะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะหนีความแก่ความเจ็บเพื่อไปเกิดใหม่ เ, เ, เข้าใจแล้วค่ะต้องเฉยๆต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ใจสงบเป็นสมาธิแล้วใจก็จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะนั่งแล้วเกิดความเจ็บป่วยกนะ็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องให้อยากหายเจ็บอย่าไปอยากอยากแล้วมันจะทาให้ใจเราดิน้นใจให้เราทุกข์ มันจะดิ้นให้เราดิ้นหนีร่างกายนี้พอดิ้นหนีจากร่างกายนี้มันก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อก็จะไปเกิดมาเพราะมันยังอยากจะหารูปเสียงกลิ่นรอยู่เข้าใจแล้วค่ะการนัดราชการค่ะง้พยายามฝึกสติให้มากพุทโธให้มากขอถามอีกข้อนึงนะคะคือถ้าเกิดว่าเราอยากเราจะมีอุบายยังไงที่จะทําให้คนที่เขา เป็นป ร, ประมาณว่ามิจฉาทิฏฐิที่ไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติสมาธิหรือการถือศีลเนี่ยนี่เคยความอยากก็อยากก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราถึงทุกข์ใจอยากไปอยากเราก็ไม่ต้องอยากเขาเอ่ก็สอนไปเขาเป็นงบเขาลุเขาได้ก็ได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาอย่างเนี้เราเทศเราก็เทศไปแต่เราไม่ได้อยากให้ใครทําตามที่เราอยากทําที่เราเทศใครทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็เรื่องของเขาออื มีหน้าที่สอนก็สอนไปส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้ก็มันเรื่องของเขาถ้าเราไปอยากแล้วเราจะทุกข์ถ้าเขาไม่ได้ทําตามที่เราสอนค่ะกลับมาสักการ์อยากแล้วมันก็เขาไม่ทําเราก็ทุกข์ไปเปล่ๆ <c oughs> าๆ อ, อยากจะถามเข้ามา ที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องโซดาสกิทาคามืสักครู่เนี่ยครับทีเนี้ย เ, เวลาเราปฏิบัติไปแล้วครับเราจะทราบได้ไงว่าเราถักถึงขั้นนั้จริงหรือไม่โดนกิเลสหลอก็กรู้ไม่หลอกหรอกถ้าถ้ า, ถามันถ้ามันหยุดความอยากได้จริงมันก็รู้มันก็พิสูจน์ได้เนี่ยจริงหรือเปล่าเช่นหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่า เ, เวลาผมหงอยังต้องยอมอยู่หรือเปล่า แตยังต้องยอมอยู่ก็ยังอยากไม่แก่อยู่ถ้าหนังเหี่ยวยังไปดึงให้มันตึงอย่างี้ก็แสดงว่ายังอยากไม่แก่อยู่ถ้ามันเจ็บแล้วอยากจะให้มันหายก็ยังแสดงว่ายังอยากอยู่ถ้ายังมันจะตายแล้วอยากไม่ตายก็แสดงว่ามันยังอยากอยู่แต่ถ้ามันไม่มีความอยากมันมันแก่ก็เฉยมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยหมอบอกเป็นมะเร็งก็เฉย เวลาจะตายก็เฉยนแสดงว่าไม่อยากไม่มีความอยากบางทีก็ต้องพิสูจน์ถ้ายังไม่ถึงเวลาจะตายก็ต้องไปหาที่มันท้าทายต่อความตายดูไปที่ไหนที่น่ากลัวหน่อยที่ไหนมีสิงสารสัตว์เราดูสิว่าใจเรากลัวหรือเปล่าถ้าเราใจไม่กลัวแสดงว่าเราก็ไม่กลัวตายมไม่มีความอยากไม่ตายตายก็ปล่อยมันตายได้ ของพวกนี้พิสูจน์ได้เพียงแต่ว่าคนปฏิบัติถ้าไม่มีคนสอนอาจจะหลงได้เพราะคิดว่าเพียงแต่คิดแล้วก็คิดว่าสำเร็จแล้วเอ้ยเราไม่กลัวแล้วความแก่เราก็ไม่กลัวความเจ็บก็ไม่กลัวความตายเราก็ไม่กลัวก็มันคิดได้ตอนนี้มันคิดแต่พอมันเจอจริงๆมันกลัวเปล่าไม่รู้เลยเวลาไปจ้าเอกับเสืออย่างงี้กลัวเปล่าอันนี้ก็ต้องไปหา วิธีพิสูจน์หาข้อสอบสถานที่พิสูจน์ดูไปที่เรากลัวนั่นแ่ละถ้ายังกลัวอะไรอยู่ก็ต้องไปหาสิ่งนั้นแล้วดูซิว่ากลัวหรเปล่าบางคนกลัวตุ๊กแกก็ต้องไปหาตุ๊กแกบางคนกลัวแมงบุมก็ต้องไปหาแมงมุมกลัวอะไรก็ต้องไปหาสิ่งที่เรากลัวเพราะความกลัวก็คือความอยากอยากไม่เจอมันเข้าใจหม อ, อมันเหมือนกินข้าวกินแล้วมันอิ่มมันรู้เองแต่ถ้านั่งคิดว่ากินแล้วมันไม่อิ่มแล้มันก็รู้ว่าไม่อิ่มเพีงแต่คิดเฉยๆยังไม่ได้กินก็คือถ้าเกิดเข้าใจว่าเข้าใจด้วยความคิดหรือความเข้าใจจากการอ่านมานี่ยยังไม่ยังไม่ไมใช่แม้มมแต่การปฏิบัติก็ไม่แน่บางทีมันเป็นแค่ผลจากสมาธิแล้วเราไปคิดว่ามันเป็นปัญญาอันนี้ก็ต้องมีอาจารย์มีคนที่ผ่านมาแล้วถึงจะ แน่นอนกว่าเพราะท่านจะได้คอยเคลียร์ปัญหาให้เราเคลียร์ความหลงให้กับเราได้นแต่ถ้าปฏิบัติเองนี้ต้องฉลาดมากต้งรอบคอบมากถึงจะไม่ดงอ่าหมดแล้วทางบ้านทางบ้านต่อคําถามจากผู้ฝากถามนะครับดิฉันอยากสมัครทําปริญญามุ่งสู่นิพพานจะสมัครปฏิบัติกับพระอาจารย์ควร ทำหรือเริ่มอย่างไรก็เ น, นี่ยมาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเนี่ถือว่าได้เข้าม า, าได้รับสมัครเป็น เ, เ, ป, นเป็นเป็นลูกศิษย์แล้วฟังเทศฟังธรรมแล้วขอให้นํำมาไปปฏิบัติไม่จําเป็นจะต้องมาปฏิบัติสองต่อสองนั่งหน้าต่อหน้ากันปฏิบัติเวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติเดี่ยวปฏิบัติคนเดียวต้องไปเปีกวิเวก แต่เวลาฟังธรรมนี้ต้องมาฟังร่วมกันถ้ามีปัญหาก็ถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับจากคุณรัตนานะครับเวลาอยู่กับแม่แม่ชอบเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับดาราหนังละครหรือนักร้องจริงๆดิฉันไม่สนใจแต่กลัวเขาเป็นอัลไซเมอร์ก็เลยคุยไปเรื่อยดิฉันอยากเสนอให้แม่ท่องพุทโทแต่เขาไม่เอาด้วย อยากขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ค่ะก็ไม่เอาก็ไม่เอาจะไปชี้ขออะไรเงี้ก็ตามใจเขาค่ะคำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณอัญชิตานะครับการกินยาคุมกําเนิดไม่ทราบว่า <c oughs> บาปไหมคะเราไม่บาปเราไม่ได้ไปฆ่าอะไรเราเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดการต่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาเท่านั้นเอง คำถามจะคุณไอซ์เบอร์รี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ดูการเคลื่อนไหวของกายและดูจิตสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทำแล้วก็หายไปอีกหลายชั่วโมงกว่าจะรู้ตัวว่าลืมภาวนาทำอย่างไรถึงจะทรงสภาวะได้โดยต่อเนื่องคะก็ต้องสบกสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้น เราต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาก็พุทโธพุทโธไปควบคุมความคิดดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้คิดอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันกำลังล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้าไปถ้ามันใจไปคิดก็ดึงมันกลับมาด้วยพุทโธพุทโธก็ได้ ข้อที่สองพอเริ่มนั่งสมาธิจะง่วงทันทีพยายามจะฝืนนั่งแล้วก็นั่งแบบโงกเงีพอปล่อยไม่นั่งตาสว่างทันทีควรแก้อย่างไรคะก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนเวลาง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจนกระทั่งหายง่วงแล้วก็ลองกลับไปนั่งใหม่พอง่วงอีกก็ลุกขึ้นมาเดินอีกถ้าไม่อยากจะเดินก็ต้องอดอาหาร โดยการรับประทานอาหารให้มันน้อยลงไปจากทางเพจนะครับจากคุณโตมอนนะครับเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงหรือเปล่าครับและถ้ามีเขาเป็นจิตหรือเป็นผีหรือเป็นเทวดาครับก็ไม่รู้ละ่ะมีจริงก็บาปมีใครเจอกันมั่งหรือเปล่าถ้าไม่มีใครเจอก็คงจะไม่จริงถ้ามีมันน่าจะจับมาขังเข้าคุกเข้าตารางได้หมดแล้ว คำถามจากทางเฟซบุนะครับจากคุณวชิลานะครับขณะวิ่งออกกำลังกายฟังบทสวดมนต์ไปด้วยเป็นการสมควรไหมครับทำได้หรือเปล่าถ้าฟังในเครื่องหูฟังก็กฟังได้แต่ถ้าฟังแบบมีเสียงดังคนอื่นฟังแล้วก็อาจจะเห็นว่าไม่สำรวมไม่เคารพก็ได้จากคุณยุพินนะครับหลานชายทำไมเขาจมอยู่กับมนต์ดเจ้าคะ ก็เรื่องของเขาว่าไมต้องไปถามทําไมนะคำถามจะคุณเปรมิกาณนะครับจะทําอย่างไรเวลาที่ไม่สามารถวางโทสะที่รุนแรงได้เจ้าคะก็พูดโธไปท่องพูดโธพูดโธไปอย่าไปคิดถึ่งเรื่องที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวพอเราลืมแล้วมันก็จะหายโกรธจ้กคุณรัตนะสุดานะครับพบมนุษย์คือมาสร้างบุญบาป ละไปใช้กรรมชั่วในภพนรกละไปเสวยบุญพบเทวดาใช่ไหมคะแล้วเดชานจะสามารถเปลี่ยนภพภูมิได้อย่างไรไหมคะเทวดาบรรลุธรรมนิพพานในสวรรค์ได้อย่างไรอ๋อเทวดาจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังหรือพระอาหารหันต์แสดงธรรมให้ฟังถึงจะบรรลุธรรมได้หรือไม่ฉะนั้นถ้าเขา มีปัญญาของเขาเองเขาเป็นโสดาบันแล้วอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีอาจารย์สอนเพราะผู้ได้เป็นโสดาบันนี้แล้วสามารถปฏิบัติไปเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็จะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนนี้ยังไม่ได้เพราะยังไม่พบทางยังยังไม่รู้จักทางที่จะไปสู่พระนิพพานก็ต้องมีคนสอน จะคุณอย่างนะครับการซื้อขายหุ้นแบบรายวันถือเป็นอบายมุกหรือไม่คะก็ถ้าเราเล่นแบบการพนันมันก็เป็นอบายมุกถ้าเล่นแบบเป็นการลงทุนมันก็ไม่เป็นอบายมุกจะคุณพา ว, วินีนะครับถ้าเราถือสีลแปดเราจะเข้ามาฟังเทศพระอาจารย์ได้หรือเปล่าคะ ได้การฟังธรรมนี้ไม่ได้ผิดศีลข้อ8ปดแอศีล8ดใดอย่างไรจากทาง u t u b e นะครับจากคุณลาวันนะครับการที่มีความเบื่อหน่ายต่อสิ่งแวดล้อมทุกๆวันจะเป็นการละความอยากอย่างหนึ่งได้ไหมคะก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าความเบื่อหน่ายนี้อาจจะเป็นเพราะผิดหวังก็ได้มันไม่เบื่อหน่ายถ้าไม่ผิดหวังก็คงไม่เบื่อหน่าย ถ้าเบื like this, <group Steph ane> anyway. perfect, ่อหน่ายแบบนี shocking, so ้ก so ็ยังเป็นกิเลสอยู่เพราะเบื่อหน่ายเพราะว่าไม่ได้ดังใจอยากก็เลยเบื่อแต่ถ้าเบื่อหน่ายเพราะเห็นว่ามันไม่มีวันสิ้นสุดมันจะนำไปสู่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการละกิเลสได้จะเห็นว่าการทําตามความอยากแล้วนำไปสู่ความทุกข์ความไม่มีวันสิ้นสุดตอจะต้องอยากไปเรื่อยๆก็เลยเบื่อหน่ายกับความอยากนี้ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญา คำถามจะคุณสัจจะพจน์นะครับในสติปักฐานสี่คำว่าจิตในจิตหมายถึงอย่างไรครับก็ให้ดูจิตไงดูสิ่งที่มีอยู่ในจิตเนี่ยสิ่งที่มีในจิ ต, ม, จตมันก็มีอารมณ์ต่างๆอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์เบิกบานอารมณ์โลภโกรธหลงนี่ก็อยู่มีอยู่ในจิตนะเดี๋ยวจิตในจิตดูจิตในจิตคําถามจะคุณสมศรีนะครับ การยกจิตขึ้นสู่วิปั ส, สนาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะ เ, ออเราก็ต้องยกมันขึ้นมาเองเสิมันไม่ขึ้นไปเองเหรอกเช่นพอเราพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงนี่ก็ยกจิตขึ้นสู่การวิปั ส, สนาแล้วพิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอาการสามสิบสองทมาจากดินน้ำลมไฟอย่างนี้ล้าก็กาลังจริญวิปั ส, สนา ถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะปล่อยวางมันปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปตอนนี้คําถามหมดครับอาจารย์ ม, มาแล้วครับจากคุณประสิทธิ์นะครับตุตจีนไหว้เจ้าที่ไหว้ผีไม่มีญาติอันนี้ของที่ไหว้พวกเขาได้รับไหมครับไม่ได้หรอ เพราะคนที่ไหว้เนี่ยนะได้แล้วคนที่ไหว้ไปกินต่อยังไม่มีคำถามแต่จึงนำคำถามที่เกี่ยวกับพระลาหูถามหน่อยครับเขาถามว่าการไหว้พระราหูนะครับเป็นเป็นความเชื่อที่<ต>ถูกหรือผิดครับหนึ่งคือพระราหูไม่จริงก็ไม่มีจริงก็ไม่มีใครรู้องนั้น มันก็เลยเป็นความเชื่อแบบไม่มีการพิสูจน์งั้นก็เท่าที่พิจารณาดูถ้ามันมีจริงมันก็ต้องก็ต้องมีปรากฏให้เรารู้ถ้ามันไม่มีมันก็เป็นการคิดขึ้นมาเองเท่านั้นเองเป็นสมมุติจะกคุณสมใจนะครับการทําจิตที่มีความทุกข์กับธุรกิจที่ทําแล้วต้องเสียดอกเบี้ย ต้องทาจิตแบบไหนคะก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนี่ก็เป็นเหมือนค่าใช้จ่ายเหมือนค่าน้ำมันรถค่าเช่าตึกค่าเช่าค่าค่าค่าแรงงานค่าเงินเดือนของคนที่เราจ้างเข้ามาทำก็คิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายไปทนั้นเองให้เราดูยอดสรุปในสิ้นเดือนว่ากำไรหรือขาดทุน ถ้าขาดทุนก็ปิดกิจการไปซะอย่าทำทำแล้วก็ขาดทุนทำไปทาไมยอมเสียน้อยดีกว่าเสียยากเสียยากก็เดี๋ยวมันจะเสียมากอย่าไปเสียดายหน้าตาหรืออะไรเมื่อรู้ว่าขาดทุนก็รีบหยุดซะมีเงินกู้ก็คเคยเ้าไปซะจะได้ไม่ต้องจ่ายดอกแล้วเรากลับมาเริ่มต้นใหม่มาอาจจะมาขายดอกไม้ก่อนก็ได้ขายพวงมาลัยก่อนก็ได้ ทำกิจกรรมที่มันอย่างน้อยให้มันมีกรรมําไรขยายมันมีขาดทุนแล้วก็ขยายกิจกา ร, รไปเรื่อยๆก็ได้ต่อไปอาจจะมีขายพวงมาลัยทุกสี่แยกเลยก็ได้จากคุณรัตนะสุดานะครับแล้วเดลฉานจะสร้างบุญเพื่อเปลี่ยนภพภูมิได้ไหมอย่างไรเรก็ต้องรอให้หมดก่อนเดลฉานให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน เดรัจฉานก็ต้องมาเป็นเดรัจฉานที่ไม่ไม่ต้องฆ่าไงเช่นพวกวัวควายพวกที่กินยากอย่างงี้ยมันก็จะไม่ฆ่าสัตว์ได้ขัดฆ่าสัตว์น้อยบาปก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็หมดบาปเองก็กลับมาเป็นมาเป็นมนุษย์ได้แต่พวกที่ยังต้องไปกินไปฆ่าผู้อื่นอยู่มันก็ยังต้องกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานอยู่ต่อจากคุณโยนินะครับวิญญาณอื่นสามารถแย่งบุญเราไปได้ไหมคะ ไม่ได้หรอบุญของใครของมันให้เขาก็ไม่ได้นอกจากพวกที่เป็นเปรตแล้วบุญที่เราทำนี่เราแบ่งให้เขาได้แต่แบ่งได้นิดเดียวเป็นเหมือนเงินที่เราแบ่งให้ขอทานจากคุณนั ด, น, ดนัดนะครับถามเลือกโรคซึมเศร้าหน่อยครับโรคซึมเศร้าสามารถหายไดจากการปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับ เพราะทุกวันนี้คนเป็นโรคนี้เยอะมากได้โรคซึมเศร้าก็คือโรคของความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดจากความอยากเพราะอยากแล้วไม่ได้รังใจอยากก็ซึมเศร้าไปอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านก็เหงาเศร้าซอยห้อ ย, หอยหเหงาว้าเวเเ่ก็ซึมเศร้าไปถ้าไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเรามานั่งสมาธิกันควบคุมใจทําใจให้สงบใจก็จะหายซึมเศร้าใจก็จะมีความสุขจากความสงบ จะคุณปูจังนะครับการที่เราได้กระทำผิดลงไปในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามแล้วเราสำนึกผิดเขาจะให้อภัยไหมคะก็แล้วแต่เขานะ่ะเหมือนเราอะเวลาคนอื่นเขาตีหัวเราแล้วเขาสนึกผิดเราจะให้อภัยเขาหรือเปล่าจะคุณฮาหน่งนะครับพระพุทธเจ้าสามประเภทปัญญาทิกะศรัทธาวิริยะท่านปรารถนาเองหรือเปล่าหรือแบบไหนครับ ก็ต้องไปถามท่านแหละเราไม่ได้ยินว่าพุทธเจ้ามันจะตอบอยังไงจะคุณแอลนะครับจะมีวิธีการฝึกความเพียรหรืออุบายในการฝึกเพื่อฝึกจิตเข้าสู่วิปัสสนาวัยได้อย่างไรครับออต้องตั้งตารางของการฝึกไงว่าเวลานี้จะต้องฝึกสมาธิเวลานี้ต้องฝึกสติเวลานี้ต้องฝึกปัญญา มืนการเรียนหนังสือใช่ไหมมหาลัยหรืรอโรงเรียนนี้ก็ต้องมีตารางให้เรียนถ้าไม่มีตารางไปเถึงโรงเรียนเด็กไม่รู้จะทําอะไรมันก็เล่นกันเฮนอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องมีตารางเรียนมีคนคอยควบคุมให้ไปเรียนตามตารางพอตีละคังปุ๊บอ้าวเข้าห้องนี้นะพอตีละครังครั้งที่สองก็เข้าห้องนี้นะเปลี่ยนห้องถ้าอยู่ในมหาลัยนี่เขาจะมีการเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆตามเวลาที่เราเรียนของเรา การปฏิบัติก็เป็นเหมือนการล่ําเรียนเรียนหนังสือตามโรงเรียนดีๆนี่เองเราก็ต้องกําหนดตารางเวลาของการปฏิบัติเช่นตื่นขึ้นมาช่วงที่ยังไม่ได้ไปทํางานก็ฝึกสติไปพุทโธพุทโธไปช่วงที่ไปทำช่วงที่ทํางานก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำํำช่วงที่พักหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วไม่มีเวลาว่างก็นั่งนั่งสมาธิไป อันนี้เราต้องกําหนดตารางเวลาแล้วต้องควบคุมบังคับให้มันให้เราทำตามที่เรากําหนดเวลาไว้เราก็จะมีความเพียรเองจกคุณนัทพงศ์นะครับการโอนเงินเพื่อทำบุญกับการทำบุญโดยซึ่งหน้ามีผลหรือต่างกันอย่างไรไหมครับไม่ต่างกันหรอก้างเงินที่โอนนี่ก็ไปถึงมือของผู้ที่เราทำบุญคุณปุ๊กนะครับการจะนั่งสมาธิจะต้องสวดอลหังสัมมาก่อนไหมคะ แล้วแต่อยากจะสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้จะคุณเปมิกาณนะครับควรปฏิบัติและวางใจอย่างไรกับคุณแม่ที่คอยบังคับให้เราทำตามแบบฉบับตลอดเวลาเจ้คะก็ต้องขอบคุณท่านเนี่ยท่านเป็นมีพระคุณกับเรามากถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเร า, างนั้นสิ่งที่ท่านให้เราทำถ้ามันไม่เป็นผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นโทษเป็นภัยกับเราเราก็ควรจะทำตาม พ่อแม่มีแต่ความเมตตามีความปรารถนาดีต่อลูกๆอยากจะให้ลูกได้ดิบได้ดีกันทุกคนแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ทำใจเฉยๆอย่าไปต่ออย่าตา อ, อย่าไปเถียงอย่าไปว่าแม่แม่ว่าอะไรก็คะคะคับไปส่วนเราจะทำได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งจากคุณสุ ป, ประชัยนะครับการนั่งสมาธิสามารถเห็นพ่อแม่ที่ล่วงรับได้ไหมครับ บางคนถ้ามีญาณก็สามารถติดต่อได้เช่นพระพุทธเจ้านี้ก็ติดต่อกับพุทธมารดาได้จากคุณลัตตินะครับทำไมขณะที่ดูลมหายใจเข้าออกอยู่แต่จิตก็ยังบอกแวกไปคิดเรื่องอื่นตลอดเวลาเช้าคะเพราะไม่มีสติควบคุมความคิดไงไม่มีพุทโธพุทโธจะกคุณพานุวัฒนะครับการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิมีความสาคัญควบคู่กัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับสําหรับนักปฏิบัติและถ้านั่งจนเวทนาปวดมากๆแทบจะไม่ไหวต้องเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมไหมครับหรือทนให้ผ่านเวทนานี้ให้ได้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะผ่านเวทนาหรือไม่ถ้าเราต้องการผ่านเวทนาเราก็ไม่ลุกเราก็ภาวนาต่อไปทําใจให้สงบแล้วปล่อยให้เวทนามันเกิดและดับไปเองถ้าเราปล่อยให้มันเกิดดับไปเองได้ต่อไปเราก็จะไม่วิตกกังวลกับ ทุกเวทนาต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่ผ่านทุกครั้งเจอทุกเวทนาเราต้องหนีมันต้องลุกเราก็จะไปไปต่อไปไม่ได้ก็จะติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ที่เวทนายัางปล่อยวางเวทนาไม่ได้จะคุณปู่จังนะครับเวลานั่งสมาธิรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกไม่สะดวกเราควรนั่งอย่างไรคะจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดอ๋อถ้ายังนั่งสมาธิยังอึดอัดอยู่ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อน เพราะแสดงว่าจิตของเรานี่ยังฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็สติก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะดึงมาให้นั่งสมาธิได้มันก็เลยเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนสวดไปภายในใจถ้าไม่ออกเสียงได้จะดีกว่าจากคุณชาลิตนะครับการยกจิตขึ้นเพื่อพิจารณาไตรลักษณ์ยกอย่างไรยกมโนภาพ ยกสิ่งที่ได้เคยจํามาหรือเคยฟังมาหรืออย่างไรได้ทั้งนั้นน่ยคิดก็ได้คิดว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ได้เป็นอนิจจ์ร่างกายเป็นเพียงดินน้ํามลมไฟเป็นอาการสาสองเป็นอนัตตาถ้าไปยึดไปอยากให้ร่างกายเป็นของเราอยู่กับเราเราก็จะทุกข์ถ้าไม่ยึดปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์ อันนี้ก็เป็นการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแนละ้วจะคุณปุ๊กกี้นะครับเพิ่งเริ่มปฏิบัติเป็นคนกลัวเรื่องผีวิญญาณมากเวลานั่งหลับตาจะกลัวมากๆทํทำอย่างไรดีคะก็ฝึกสติไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนลืมตาไปก่อนพอจิตมีสติมีความสงบพอสมควรก็จะสามารถควบคุมความกลัวได้ก็ลองหลับตาต่อไปดู จะคุณกอบแก็บนะครับนั่งสมาธิแล้วเห็นอดีตชาติเห็นเทวดาทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นมาก่อนถือว่าเป็นจิตปรุงแต่งหรือไม่ครับก็ต้องดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นถ้าเป็นเทวดาเราต้องคุยกับเขาได้ถ้าอ ด, อดีตชาติเราก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยว่าเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเช่นชาติก่อนคิดว่าเราเป็นหมาอยู่บ้านนั้นอย่างนี้เราก็ต้องไปเสาะดูประวัติว่าบ้านนั้นมีหมาตัวนี้หรือเปล่า จะคุณนันทนานะครับถ้าเราปราวนาปราวนาปราวนาไว้กับพระว่าท่านอยากได้อะไรก็บอกโยมได้แต่ต่อมาท่านของขอสิ่งที่เราหาไม่ได้เราจะบาปไหมค ะ, ะถ้าเราไปปาวนาบอกว่าท่านต้องการอะไรก็หาให้ได้ถ้าเราไม่หาให้ท่านก็แสดงว่าเราผิดสัจจะอยงนั้นก่อนจะปราวนาต้องคิดให้ดีก่อนว่าเราจะปราวนาแบบไหนดีเพราะเราสามารถกําหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เห็นว่าถ้าท่านขาดจีวรราคาไม่เกิ น, แ ค, นแค่นี้แค่นี้ท่านบอกดิฉันได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าไปบอกว่าถ้าท่านขาดจีวรต้องการก็บอกดิฉันได้เดี๋ยวท่านบอกท่านตระการจีวรไหมราคาเป็นหมื่นนี้เราอาจจะหาให้ท่านไม่ได้ก็ได้จากคุณพีโกนะครับ ผู้แนะนําการลงทุนหุ้นเรียกว่านักวิเคราะห์เวลาหุ้นขึ้นแนะนําให้ซื้อเวลาหุ้นตัวเดียวกันลงมากก็แนะนําให้ขายแบบนี้ผิดศี่ข้อสี่ไหมครับไม่ผิดตรงไหนถ้าเราวิเคราะห์เป็นพูดไปตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นว่าหุ้นนี้จะขึ้นเราก็บอกให้เขาซื้อถ้าเห็นว่ามันจะตกเราก็บอกว่าเขาให้ขายแต่เราก็ไม่รู้จริงเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นเราเพียงแต่วิเคราะห์ไปตามแนวโน้ม ข้อสุดท้ายนะครับจากุณสิริวัต์นะครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาพอผมนั่งไปนานๆเวทนาไม่หายแต่ว่าขณะนั้นผมรู้ว่ามีเวทนาอยู่แต่ไม่สนใจแล้วก็จะสามารถนั่งได้นานขึ้นทําอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าเราอยู่กับมันได้มันไม่หายก็เรื่องของมันที่เรานั่งนี้ไม่ต้องการให้มันหายไม่ต้องไปบังคับมันเพราะเราบังคับมันไม่ได้มันจะหายไม่หายก็เป็นเรื่องของมัน จริเราต้องบังคับคือใจของเราให้อยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับทุกขเวทนาขออีกข้อครับอาจารย์พระเล่นหุ้นผิดไหมครับเผิดเสียเพราะพระไม่มีอาชีพที่จะมาเล่นหุ้นพระท่าน ม, มีมีอาชีพมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาออเอาแค่นี้ก่อนนะพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ